ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาาภิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรัชนาต่อไปจะเป็นสุทธิกะปาจิ ต, ตีเก้าสิบสองสิกขาบทจากพร น, นาในสิกขาบทแห่งสุตธิกะปาจิ ต, ตียาปัต สติกาปาจิตติยาบัตินี้มีสิกขาบทเก้าสิบสองมีวักเก้าวักวักที่ต้นชื่อมุสาวาดวรกว่าด้วยวัคที่ว่าด้วยการมุสาวาตระดับด้วยสิกขาบทสิบมุสาวาดสิกขาบทเป็นที่หนึ่งความว่าทิกตุก่อนแต่พูดและขณะเมื่อพูดอยู่รู้ว่าเป็นความเท็จและพูดปดด้วยกายดังเขาถามว่า เห็นหรือหาไม่และสันสีสะว่าไม่เห็นก็ดีพูดด้วยวาจาก็ดีเป็นอาบัติปาจิตตีที่สุกล่าวบทเพื่อจะอวดอุตริมนุสธรรมต้องปาราชิกกล่าวบทเพื่อจะโจทย์ทิสุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องสังขาธิเศษกล่าวบทเพื่อจะโจทย์ทิสุอื่นด้วยอาบัติสังขาธิเศษไม่มีมูลต้องปาจิตตีกล่าวบทเพื่อจะโจทย์ทิสุอื่นด้วยอาจารวิบัติ ต้องทุกฏกลาบทเพื่อจะอวดอุตรินุสธรรมโดยปริยายผู้ฟังรู้ความต้องทุลใจผู้ฟังไม่รู้ความต้องทุกกฏที่สุกล่าบทเห็นว่าไม่เห็นได้ยินว่าไม่ได้ยินรู้ด้วยจมูกลิ้นกายว่าไม่รู้ทราบด้วยใจว่าไม่ทราบก็ดีไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่รู้ด้วยทวารทั้งสามว่ารู้ ไม่กล้าดื้อใจว่าทราบก็ดีดังนี้ต้องปาจิตตี ด, ด้วยสิกขาบทนี้จตองพูดบดนี้ต้องอาบัตตั้งแต่ตา ร, ราชิตจนทั่งถึงทุกกฏเลยนะด้วยอาการต่างๆตามสิกขาบทไม่ทันไตรตรองกล่าวเร็วไปก็ดีจะกล่าวคําอย่างอื่นและไปกล่าวคําอย่างหนึ่งไปก็ดีคลาดจากจริงไปกล่าวเร็วเกินไปแต่ว่าพิสูจเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตพูดพลาดก็ไม่เป็นอาบัติ สิกบทข้อนี้ก็เป็นอนานนติกะไปใช้คนอื่นไปสั่งบังคับคนอื่นให้ไปพูดปดตัวเองก็ไม่ต้องอบัดข้อนี้ก็ต้องอบัตรอย่างอื่นไปคนกล่าวก็บัตรปัจจีนก็มีองสองคิดจะกล่าวให้คลาดจากจริงเป็นเบื้องหน้าอย่างหนึง่งทำประโยคทางกายหรือวาจาให้ผู้ฟังรู้ความที่ตนหมายจะกล่าวด้วยจิตจะพูดให้คลาดจากความเป็นจริงอย่างหนึง่ง พร้อมด้วยองค์สองนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาฐานสิกขาบทก็คือมีสมุดฐานสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาเพราะว่ามีการกระทา ม, มีการพูดปลดใจหรือวาจาเป็นสัจจิตกะเป็นสัญญาวิโมกเป็นกายกรรมวชีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามเป็นโลกาวัชะต่อไปโอมาสวาทะสิกขาบทที่สอง ความว่าพิจุกราวเสียดแทงด่าว่าพิจุอืน่นผู้ต้องประราชิตหรือไม่ต้องกระตามด้วยสำคัญว่าเป็นพิจุอยู่กราวด้วยกายและวาจาไม่อ้างผู้อืน่นด้วยอาโกสวตถุสิบอย่างก็คือเรื่องที่เอาไว้สมับดาอย่างใดอย่างหนึ่งจริงก็ตามไม่จริงก็ตามเป็นปาจิตตีอาโกสวตถุนั้นคือชาติทีเลวและอุกฤษชาติจันทาน ชาติช่างไม้ชาติช่างทาชาติช่างสารชาติผ่าเนื้อชาติช่างรถชาติคนเทดอกไม้เป็นชาติต่ำชาติกระสัดชาติพรามเป็นชาติอุกฤษด่าทั้งชาติตามก็ได้ด่าทั้งชาติอุกฤษก็ได้ยกมาด่าได้ทั้งนั้นนะนะกความปฏิปิตีหมดส่วนชื่อหรือนามคือชื่อทีเลวและชื่อที่อุกฤษชื่ออวักกันนักะเป็นต้น และชื่อที่เขาเ ย, ย่อยยันในประเทศนั้นๆเป็นชื่อที่เลวชื่อประกอบด้วยพุทธธรรมสังฆะที่เขานับถือในประเทศนั้นๆดังชื่อว่าพุทธรักขิตะธรรมรักขิตะหรือว่าสังข ร, รักขิตะเป็นชื่ออุกฤษเป็นชื่ออันดีอรรดากันก็ได้ส่วนโคดก็คือแท่หรือนามสกุลที่เลวเลยนะและอุกฤษโคตที่เขาเ ย, อ ย, อย่อยยันในประเทศนั้นๆดังโกติยโ ะ, ะโคตภารัตวชโคตเป็นโคตเลว โคตี่เขานับถือในประเทศนั้นๆดังโคตมะโคตโมกลานะโคตกัจจายะนะโคตวาเสตฐโคตเป็นโคตรอุกฤษต้นกรรมก็คือการงานที่เลวและอุกฤษการที่เขาย้อยหยันในประเทศนั้นๆดังการงานของคนช่างทากรเทดอกไม้เป็นการงานเลวการงานที่เขานับถือในประเทศนั้นๆดังการทําค้าขายการทํานาการเลี้ยงโคเป็นการงานที่อุกรฤษ ศิลปะก็คือศิลปศาสตที่เลวและอุกฤษความรู้ที่เขาเยอยหยันในประเทศนั้นๆดังช่างไม้รวกช่างหม้อช่างหูกช่างหนังช่างกระบกเป็นศิลปะเลวความรู้ที่เขานับถือในประเทศนั้นๆดังวิชาคะเนวิชานับวิชาเลขเป็นศิลปะอุกฤษอาพาธก็คือโรคโรคต่างๆทั้งปวงเป็นของเลีวทั้งสิน้นก็แต่โรคชื่อว่ามะทุเมหะมีน้ําปัสวะหวาน มีทุกขเวทนาน้อยเป็นโรคอุกติ k อันนี้ก็คือโรคเบาหวานนั่นเองเป็นโรคที่ไม่ใช่มีทุกขเวทนาส่วนลิงคะก็คือสีสันฐานกายที่เลวและอุกติ k r กายสูงนักต่ำนักดำนักขาวเป็นลิงคะที่เลวส่วนกายไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ดำนักไม่ขาวนักเป็นลิงคะที่อุกติ k ก, กิเลส ก, ก็คือความโลภดุร้ายโง่เขลากิเลสทั้งปวงเป็นของเลวสิ้น อาบัตก็คือส่วนที่จะพึงถึงพึงต้องมีปาราชิตเป็นต้นอาบัตทั้งปวงก็เป็นของเลวทั้งสิ้นก็แต่ว่าโสดาบัตและสมาบัตแปดเป็นอาบัตแบบอุกฤษถ้าจะเอาแบบชื่อนะแต่ไม่ใช่อาบัตเจ็ดกองยู่นะโสดาบัตเป็นการต้องกระแสของความเป็นพระโสดาบันทูพระนิพพานเป็นครั้งแรกสมาบัตแปดก็ได้แก่พวกฌานทั้งหลาย อโกโสะก็คือคำด่าที่เลวและอุกฤิด่าว่าไอ้อูดไอ้แพะไอ้วัวสุกติของเองไม่มีทุกติเองจะต้องจำหนงและคำด่าประกอบด้วยยะพระอักษรและปุริสนิมิตและอิทีนิมิตนี้เป็นคำดา่าเลวด่าว่าเจ้านักปราดเจ้าชราเจ้าปัญญาเจ้าผู้สูตรเจ้าธรรมะกระถึกทุกติท่านไม่มีนี้แต่ทุกติอย่างเดียว นี้เป็นคำด่าแบบอุกริตเป็นอโกษาวัตถุสิบอย่างดังนี้ทิศตูหมายจะให้ทิกตุด้วยกันได้ความอดสูคือได้ความละอายและดา่าทิศตูนั้นที่มีชาติและโคตรเป็นต้นที่เลวและอุกริตอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอโกษาวัตถุอันเลวและอุกริตจริงก็ตามไม่จริงก็ตามไม่เปรียบเลยด่าตรงตัวว่าเจ้าประศัตรเจ้าพราหมณ์เป็นต้นดังนี้เป็นปาจิตตีทุกๆคำ ถ้าด่าเปรียบเลยว่าคนบางจําพวกในโลกนี้เป็นจันทานเป็นพรานก็มีอยู่เป็นต้นดังนี้ก็ดีและกล่าวเสียดแทงด่าว่าอนุสัมบัญโดยตรงก็ดีและด่าว่าเปรียบเลยไม่ตรงก็ดีทั้งปวงนี้เป็นอบัตทุกกฎทุกทุกคําถ้าด่าตรงๆแต่พระพิษุอบัติปยิตีถ้าด่าโดยอ้อมแต่พิกสุอบัตทุกกฎด่าโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมแต่อนุสัมบันญก็อบัตทุกกฎหมด ทิ่ตุไม่หมายจะดา่าให้ได้ความอัปยศหวังจะเย้าหยอกเล่นและพูดเย้าหยอกอุปสมบันิและอนุสมบัติจะเป็นทิ่ตุหรือว่าสามเนรหรือว่าขัตตตะตามโดยตรงหรือว่าเปรียบเทียบด้วยอกโกสวัตถุมาในบาลีและไม่ได้มาในบาลีว่าเจ้ากษัตริย์เจ้าพราหมณ์เจ้าเดียรฉานเจ้านักปราดเจ้าไทยเจ้าลาวเจ้าโจรเจ้าขโมยเป็นต้นดังนี้ต้องอบัตทุกภาสิตทุกทุกคำ คือถ้าพูดด่าด้วยโทสะบุรจิตก็บัตรปาจิตติถ้าพูดล้อเล่นหยอกเย้าด้วยโลภะเอาคำด่ามารล้อเล่นล้อเล่นด้วยโลภะอันนี้ก็อบัตรทุกภิกติไม่ว่าจะเป็นพิกจูหรือว่าพฤหัสก็แล้วแต่เป็นลูกสมบัติหรืออนุสมบัตแต่ถ้าด่าด้วยจิตโกรธด่าพิจูบัติปายิตติด่าอนุสมบัติก็บัตรทุกฏพิจูไม่หวังจะด่าไม่หวังจะเย้าหยอกแต่ว่าทำอัถฐทำธรรมะ ทำคำสอนเป็นเบื้องหน้ากล่าวว่าชาตินี้ท่านเป็นจันทานแล้วอย่าทําบาปเลยดังนี้หรือพิจิตรบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้คนอื่นก็ไม่ต้องเหมือนกันตัวเองไม่ต้องไม่ต้องสิขาบทข้อนี้แต่ว่าต้องเคาะไปชักชวนในสิ่งที่ไม่ควรมีองคศีดาผู้ใดผู้นั้นเป็นอุปสัมบทันเอนงข้อที่สองดาด้วยชาติเป็นต้นไม่อ้างผู้อื่นก็คือด่าตรงตรง ขสาผู้ต้องดา่ารู้ว่าเขาด่าเราคนถูกด่าก็รู้ความด้วยข้อที่ห้าไม่ได้ทำอัฏ ธ, ธรรมะคำสอนไว้เป็นเบื้องหน้าเจตประสงค์จะด่าให้ได้อายนั่นแหละพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนอธินาทานสิกขาบทแต่ในสิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวมีสมุทฐาน 3. สามกายจิตวาจาจิตกลวาจ า, า, าจาิตเป็นกิริยาสัญญ า, ญญาวิโมกเป็นสัจจิกะเป็นโลกะวัชชะ กายกรรมวจีกรรมแล้วก็เป็นอกุศลจิตทุกขเวทนาอย่างเดียวสิกขาบทนี้แต่ว่าของทินาทานนั้นเวทนาสามจบสิกขาบทที่สองต่อไปสิกขาบทที่สามในเปรตุญญาติสิกขาบทที่สามความว่าภิกตุสอบเสียดคือได้ยินภิกตุผู้หนึ่งด่าว่าภิกตุด้วยการด้วยอกุศวัตถุมีชาติเป็นต้นวัตถุสําหรับด่าเนี่ยสิบอย่างและมีความปรารถนาสองอย่างคือ จะให้ผู้ถูกด่านั้นรักใคล่ตัวหรือจะให้เธอทั้งสองแตกแยกกันและกล่าวคาสอเสียดคือปาดบอลเก็บเอาคําติกจุผู้ด่าว่าร้ายบอกแก่พิจุผู้ต้องด่านั้นคือผู้ที่ถูกดา่าเอาคาของคนที่ด่าไปบอกกับคนที่ถูกดา่าต้องการความปรารถนาสองอย่างคือให้เขารักเราหรือว่าให้เขาแตกแยกกันเนี่ยเป็นปาจิตติทุกๆคาสอทุกๆคา ส, สอเสียด ถ้าบอกคำแห่งทิฏฐุผู้กล่าวเสียดสีดาว่าเปรียบเลยไม่ตรงแต่ทิฏุผู้ต้องด่าหรือนําเอาคําด่าแห่งอนุสัมบันธบอกแก่อุปสัมบันธก็ดีแก่อนุสัมบันธก็ดีหรือนําเอาคําด่าแห่งอุปสัมบันธบอกแกอนุสัมบันธก็ดีอย่างนี้เป็นทุกกฎต้องเอาคําด่าของทิฏฐุไปบอกกับทิฏฐุถึงข้อบัตรปฏิตรี 10. ถ้าเอาคำด่าของทิฏฐุไปบอกอนุสัมบันธ์หรือเอาคำด่าของอนุ ส, สัมบันธ์ไปบอกทิฏุผู้เป็นอนุปสัมบันเนี่ย หรือว่าคำของอนุสัมพันธ์จะบอกกับอนุสัมพันธด้วยกันคือพวกสัมมเณยหรือว่าพวกคดัตด่า ก, กันแล้วก็ทิคโตเอาไปบอกครับสั ม, มเณยหรือว่าคดฮัตอย่างนี้ก็ต้องอบัตทุกกฎเท่านั้นในสุขาบทนี้แม้ทิกษุนีก็ตั้งอยู่ในที่เป็นอนุสัมพันธ์ทิคโตไม่หวังจะให้ผู้ต้องด่ารักตัวหรือไม่ปรารถนาจะให้เธอทั้งสองแต่กันและกล่าวติเตียนคนชั่วอย่างเดียว และพิจุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัติสิกขาบทข้อนี้พิจุณีก็เป็นอนุสมบัตของพิกษุด้วยแต่บางสิกขาบทภิกษุณีก็เป็นอุปสมบันิกับพิกจุข้อนี้เป็นอนานนติกะมีองค์สามอนานนติกะหมายถึงว่าไปสั่งบังคับเขาแล้วก็ไม่ต้องอบัติในข้อนี้คนที่ไปทําก็ต้องอบัติเองก็มีองค์สามคือข้อที่หนึ่ง ได้ยินพิกจุด่าว่าด้วยอากโกสวตถุมีชาติเป็นต้นไม่อ้างผู้อื่นแล้วนำเอาไปบอกแก่ภิจุผู้ถูกด่าข้อหนึ่งข้อที่สองหวังจะให้ผู้ถูกด่ารักใครตัวหรือว่าให้เธอทั้งสองแตกแยกกันอย่างหนึ่งข้อที่สามผู้ถูกด่านั้นรู้ความด้วยพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตตีสมุทางวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทาน ก็คือสมุทาสามกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นสจิตตกามีจิตหมดเลยทั้งสามองค์นี้ก็เป็นสัญญาวิโมกเป็นโลกะวัชชะเป็นตยกรรมวชีกรรมเกิดเพราะการกระทมเป็นกิริยาแ ล, แล้วก็มีจิตสามมีเวทนาสามด้วยต่อไปในสิกขาบทที่สี่ปะละโส ธ, ธรรมสิกขาบทความว่า ทิกตูดายสอนให้อนุสัมบัญเรียนทมโดยบทเป็นปัจจิตีก็คือให้ว่าพร้อมกันนั่นเองบทก็คือบาทแห่งคาถาอันหนึ่งดังคำว่ า, าเสวนาจะบาลานังหนึ่งอนุบทก็คือบาทที่สองนะอนุบทก็คือบาทที่สองก็ได้แก่ปันนิตา น, านจะเสวนาส่วนอันวัคขระอันวคขะก็คืออนุอัคขระนั่นเองอนุอัขระ คืออักษรตัวตังหนึ่งดังคำว่ารูแล้วก็ตัวปังรูคำหนึง่งปังคำหนึง่งอันนี้เรียกว่าอันวัคขระหรือว่าอนุอัขระส่วนอนุพยัญชนะคือพยัญชนะหลังเหมือนกับพยัญชนะก่อนเช่นอนิจจังอนิจจานี่เรียกว่าอนุพยัญชนะสี่อย่างนี้ชื่อว่าโดยบทคือเป็นส่วนให้เกิดอบัต และเป็นที่กําหนดอาบัติให้พึงรู้ต่างกันดังนี้อักษรตัวหนึ่ ง, งดังตัวว่ารูตัวปังชื่อว่าอันวัคระหรือว่าอนุอักษระประชุมอักษรเข้าเป็นคำหนึ่งดังคําว่ารูปังและอนิจังชื่อว่าอนุพยัญชนะประชุมอักษรและอนุพยัญชนะเข้าเป็นเนื้อความอันหนึง่งดังคําว่ารูปังอนิจังชื่อว่าบท บทที่แรกชื่อว่าบทบทที่สองดังคาว่าเวทนาอนิจจาชื่อว่าอนุบทพิตุเมื่อสอนธรรมที่ผูกเป็นคาถาว่าอาเสวนาจะบาลานังขึ้นก่อนแล้วสามเณรหรือว่าครุฑหัดก็ว่าตามพิตุว่าพร้อมกับสามเณรอีกทีหนึ่งว่าอาเสวนาจะบาลานังขึ้นพร้อมกันจบพร้อมกันอย่างนี้เป็นปาจิตตินับด้วยบท นี้หมายถึงว่าไปสอนนะถ้าต่างคนต่างตรวจนี้ไม่เป็นไรหมายถึงว่าไปสอนให้ว่าตามแต่ว่ามาว่าพร้อมกันเนี่ยทิพตุสอนทำทีละสองบาทคาถาดังนี้ว่าอเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจเจเสวนาแล้วกลับว่าอีกกับสามเณรสาเณรว่าบาทที่ต้นไม่ทันไปทันบาทที่สองว่าปันดิตานันจะเสวนาเข้าพร้อมกับติพตุ ชื่อว่าตั้งขึ้นต่างกันแต่วะจบลงพร้อมกันอย่างนี้ก็เป็นปาจิตีนับด้วยอนุบทเหมือนกันพิสุตรตอนสามเณรให้ว่ารูปังอนิจจังสามเณรกล่าวแต่ตัวรูขึ้นพร้อมกับพิสุพิสุกล่าวไปจนจบอย่างนี้ก็เป็นปาจิตีนับด้วยอันุวัคระนับด้วยอนุอัคระว่าแค่รูตัวเดียวกับบัตเหมือนกันในนี้ย่อมได้แม้ในบาลีที่ผูกเป็นคาถาด้วย ที่ตุสอนสามเณรให้ว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาแล้วที่ตุว่าได้แต่รูปังอนิจจังสามเณรปัญญาเร็วปากเร็ววาดได้จนถึงเวทนาอนิจจาซึ่งเป็นอนุบทพร้อมลงกับคําว่าอนิจจังแห่งทิ่ตุอย่างนี้ก็เป็นปัจจิตีนับด้วยอนุบด ท, ทำนั้นก็คือบาลีเป็นพุทธภาษิปพระพุทธเจ้าตรัสเองอย่างหนึ่ง สาวกภาสิตบาลีที่สาวกเนื่องในบริจัตสี่กล่าวดังอนังคณะสูตรตมาธิฏฐิสูตรเป็นต้นอย่างหนึ่งอิสิภาสิตบาลีอันฤูษีปริพาชกภายนอกกล่าวดังปริพาชกวัตรทั้งสิน้นแณโสรษกุจฎาเป็นต้นอย่างหนึ่งเทวตาภาสิตก็คือบาลีที่เทวดากล่าวดังเทวตาสังยุตเทวปุตรสังยุตเป็นต้นอย่างหนึ่ง พาสิตสี่นี้กรอบด้วยอัฏฐะและธรรมะอาศัยพระนิพพานแสดงพระนิพพานในอุปสัมบทเป็นติกะปัจจิตีเพราะนั้นก็ภาสิตสี่อย่างนี้นะเมื่อพระพุทธเจ้ารับรองแล้วก็ชื่อว่าเป็นพุทธพจน์ททนั้นแหละเพราะฉะนั้นนํามากล่าวสอนแก่อนุสมบัติก็เป็นติกะปัจิตีจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะหรือว่าสงสัยก็ตามก็เมื่อกล่าวสอนว่าพร้อมกันก็เป็นปัจจิตี เป็นอนุสัมพันธที่สุดสําคัญว่าเป็นอุปสัมพันธหรือว่าสงสัยอยู่แล้วก็สอนทำเป็นทุกข์กฎดถ้าสงสัยามจริงแล้วเป็นอนุสัมพันธอ่นะแต่สงสัยแล้วสอนก็อบดับทุกข์กอก่อนแล้วเมื่อเป็นอนุสัมพันธแล้วก็สอนนี่ว่าพระเมื่รุยิงก็อบดับปาจิตตีเรียนบาลีสาธยายบาลีด้วยกันกับอนุสัมพันธและเรียนบาลีในสํานักแห่งอนุสัมพันธกล่าวพร้อมกันก็ดีอันนี้ไม่เป็นอะไร อนุสมบัติมีความรู้พิจูเปเรียนว่าพร้อมกันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าพระพิจูสอนอนุสมบัตมาเรียนแล้วก็สอนให้ว่าพร้อมกันนี้ตระบัติปฏจจตี่ท่องสวดจาปีที่คล่องอยู่โดยมากด้วยกันหรือสามเณรคลาดพิกษุบอกว่าจงว่าอย่างนี้แล้วว่าขึ้นพร้อมกันและพิจุเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอันบาปแต่สามเณรพูดผิดพระพิจูก็บอกว่าจงว่าอย่างนี้แล้วก็ว่าขึ้นพร้อมกัน สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะเหมือนกันมีองค์สามก็คืออนุสมบันิหนึ่งข้อที่สองก็คือสอนธรรมมีลักษณะดังกล่าวแล้วโดยบทอนุบ ท, อ, บท อ, อขระอนุอัคระแล้วก็ข้อที่สามให้จบลงในที่อันเดียวกันพร้อมด้วยองค์สามนี้ก็เป็นปาจิตตีสิกขาบทข้อนี้เป็นปดาดัสโธธรรมสมุทฐานก็คือสมุทฐานที่เป็นการกล่าวธรรมให้ว่าพร้อมกันเป็นอจิติกะเป็นวาจาคิด เป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกอาจิตกะตั น, นติวัชะไม่มีเจตนาก็เป็นอบัติงานั้นแล้วก็เป็นวจีกรรมเท่านั้นนะนาวาจากับวาจารจิตมีจิตสามมีเวทนาสามก็คือกุศลจิตอกุศลจิ ต, อ, ตอัิญญาตจิตเพราะว่าสำเนินว่าพร้อมกันอบัติหมดมเวทนาก็เป็นทั้งสุขสมนัตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาได้ทั้งนั้น สีขบที่ 5, ห้สาสะหาไสยยาศบทความว่าภิกษุดายสำเร็จการนอนคือเหยียดกายในเสนานะที่มุงหมดบางหมดหรือว่ามุงมากบางมากมีอุปจาระอันเดียวกันในขณะเดียวพร้อมกันหรือว่าก่อนและหลังกับอนุสัมพันย์ยกแต่ภิกษุสเสียโดยทีุ่ดแม้เป็นเดรัจฉาน มีทวารเป็นวัตถุแห่งปาราชิตได้ยิ่งกว่าสามคืนเป็นปาจิตีนับแต่คืนที่สี่ไปเสนาสนะแม้บังด้วยเครื่องบังมีกำแพงเป็นต้นไม่จดหลังคาสูงเพียงสอคือบรอบไปสูงโดยสอบคืบโดยรอบเลยนะให้พึงรู้ว่าเป็นเสนาสนะบังทั้งหมดค่สูงเพียงสอกคืบรอบๆนี้ก็ชื่อว่าเป็นเสนาสนะบังทั้งหมด พระเหตุนั้นเสนาสนะกอบด้วยลักษณะดังนี้แม้เป็นปราสาทเจ็ดชั้นหรือเป็นเรือนสี่มุกมีห้องได้ร้อยหนึ่งห้องร้อยห้องก็ตามถ้ามีอุปจาระคือประตูใช้ใสอยอันเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นที่นอนอันเดียวกันที่สุดใดนอนกับอนุสัมปันคนเดียวนั้นหรือคนอื่นก็ตามในเตนาสนะเดียวกันหรือในที่อื่นเหมือนเช่นนั้นก็ตามสิ้นสามคืนแล้ว ในวันที่สี่เมื่ออาทิตย์อัสดงคดไปแล้วอนุสัมปันนอนอยู่ก่อนและจะปิดประตูห้องหรือไม่ปิดก็ตามแล้วนอนลงหรือเธอนอนอยู่ก่อนแล้วอนุสัมปันนอนลงเธอไม่ลุกขึ้นเสียก็ดีต้องอาบัาปตปาจิตตีนับด้วยประโยคที่ลุกขึ้นและนอนลงแห่งตนคือลุกขึ้นหลายครั้งนอนลงหลายครั้งก็ต้องอบัติหลายตัวและอนุสัมปันทั้งสองนั้น อนุสัมบันลุกขึ้นแล้วนอนลงอีกปฏิสูตนอนอยู่กับอาบัติอีกลุกขึ้นกี่ครั้งอาบัตเท่านั้นแหละและนับด้วยตัวอนุสัมบันที่นอนอยู่นั้นอนุสัมบันกี่คนก็ตามก็ต้องอาบัตตามจํานวนนั้นในอนุสัมบันเป็นติกะปาจิตตีรู้หรือไม่รู้หรือสงสัยก็ตามรู้ถูกรู้ผิดก็ตามเป็นอุปสัมบันปฏิสูตสําคัญว่าเป็นอนุสัมบันหรือว่าสงสัยอยู่และนอนลงต้องทุกข์กด เสนาสนะมุงครึ่งบังครึ่งมุงหมดบังน้อยมุงมากบังน้อยบังหมดมุงน้อยหรือว่าบังมากมุงน้อยเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งทุกกฎต้องมุงทั้งหมดบังทั้งหมดหรือว่ามุงมากบังมากถึงจะเป็นปจัจจิตีถ้าตั้งแต่มุงมากบังครึ่งลงไปอันนี้ก็เป็นวัตถุแห่งทุกกฏเสนาสนะ มุงหมดแต่ว่าไม่บังเลยหรือว่าไม่ได้มุงเลยบังทั้งหมดก็ตามหรือไม่ได้มุงโดยมากไม่ได้บังโดยมากเหล่านี้เป็นวัตถุแองอนาบัตก็ไม่เป็นไรถ้เกิดมนสาราล่องโลกไม่มีฝาปิดเลยบุงทั้งหมดนี้นอนร่วมอนุสัมพันธรจนสามคืนก็ไม่เป็นอาบัตนอนหย่อนกว่าสองคืนสามคืนหรือว่าในคืนที่สามออกเสียก่อนอารุณ์แล้วจึงอยู่ไปอีกและในคืนที่สมอนุสัมพันธ์นั่ง พิษตู่นอนหรือพิษตูนั่งอนุสมบัตนอนหรือว่านั่งด้วยกันทั้งสองก็ตามแล้วอยู่ต่อไปอีกถ้ารุกขึ้นก่อนอรณุณนี้ก็อยู่ไปได้กี่คืนก็ได้เกินสามคืนไปก็ไม่เป็นอะไรถรุกขึ้นก่อนอรณุณแล้วก็พิษตูเป็นบ้าเหล่านี้ไม่เป็นอบัติติกา บ, บทข้อนี้ก็เป็นอนานตาิกะเมือนการใชใ้ไปนอนร่วมการอนุสมบันิเกินสามคืนก็ไม่เป็นอบัตมีองค์สามก็คือเสนาสนะเป็นวัตถุแห่งปารจิตีก็คือ มุงหมดบางหมดหรือว่าบุงน้อยมากบางเลยมากแล้วก็ข้อที่สองนอนกับอนุสัมบันฑ์ในเตนาธนะนั้นข้อที่สามอาทิตย์อาจจะดงคตรับไปในวันที่สี่ตรงนี้ต้องอับัับพร้อมในองค์สามนี้เป็นอับดับพาจิตตีสิขาบทนี้เป็นเอลักโรมะสมุทฐานสมุทฐานเหมือนกับเรื่องของขอนเจียมก็คือมีสมุทฐานสองเกิดแต่กายอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากกายจิตอย่างหนึง่งเป็นกริยาเพราะมีการกระทําคือการนอ น, อน โนสัญญาวิโมกอาจิตตะแม้ไม่รู้สิกขาบทไม่มีเจตนาจะนอนก็อับด์ตันนติวัชชะนีโทษทาพระบัญญัติแล้วก็เป็นกายกรรมเท่านั้นนะนิจิตตามเมธนาสามต่อไปสิกขาบทข้อที่หกคือทุติยะสหไสยะสิกขาบทความว่าทิกจุดใดเมื่ออาทิตย์อัสดงคตแล้วสำเร็จการนอนในเส น, นานะดังกล่าวแล้ว ในสิกขาบทกตอนด้วยมาตุคามคือเป็นหญิงมนุษย์แม้เกิดในวันนั้นเป็นปาจิตตีวินิจฉัยทั้งปวงเหมือนในสิกขาบทกตอนแปลกแต่เพียงกําหนดราตรีในสิกขาบทกตอนเป็นอบัตในคืนที่สี่ในสิกขาบทนี้เป็นอบัติแม้แต่คืนที่แรกก็คือพอหลังสัมผัสพื้นมีหญิงนอนอยู่ก่อนหรือว่าที่สุนอนอยู่ก่อนหญิงนอนไปหลังก็ตามหลังสัมผัสพื้นก็เป็นอบัตปาจิตตีลนะ หญิงยักษ์หญิงเปรตรูปปรากฏและบรนดเดรัจฉานตัเมียเป็นวัตถุแห่งเมทุลได้เป็นวัตถุแห่งทุกกฎในสิกขาบทนี้จะเป็นพวกหญิงยักษ์หญิงเปรตพวกบัน덧ดเิรัจฉานตัเมียที่เป็นอิทวานเป็นวัตถุแห่งเมทุลได้เป็นแค่เพียงทุกกฎนอนด้วยจนถึงคืนที่สี่ให้เกิดปาจิตติด้วยสิกขาบทก่อนแม้เป็นวัตถุแห่งทุกกฎซะจริงแต่ว่านอนเกินวันที่สี่ไปก็เป็นอบัติปาจิตติ ในการนอนร่วมการรู้สัมพันธ์เกินสามคืนจบสิกขาบทที่หกสิกขาบทที่เจดธรรมเทศนาสิกขาบทความว่าพิกสุไดแสดงธรรมมีลักษณะดังกล่าวแล้วในปะละโศธรรมะสิกขาบทนั้นก็คือธรรมะที่เป็นพุทธภาสิตสาวภาสิตอิสิภาสิตเทวตาภาสิตนี่นะแต่ว่าไปแสดงกับมาตุคามที่เป็นหญิงมนุษย์ที่รู้คําดีคําชั่วและคําหยาบไม่หยาบ ให้ยิ่งกว่าหกคำขึ้นไปเป็นปลายจิตตีหกคำคือหกบทนับด้วยตัวมาตุคามาตุกรรมหลายคนก็บรรลายตัวสแสดงด้วยบทและอักขระนับด้วยบทและอักขระต้องอบัตตามคำเลยนะเว้นไว้แต่มีมนุษย์ผู้ชายรู้ความมีลักษณะดังกล่าวแล้วในอริยตะสิกขาบทที่สองนั้นอยู่ด้วยจึงจะไม่เป็นอัตินนะต้องมีผู้ชายอยู่ด้วยที่รู้ความได้ บาทแห่งคาถาอันหนึ่งเป็นคําหนึ่งคําหนึ่งนี้หมายถึงบาทหนึ่งให้พึงรู้ประมาณคําในคําทั้งปวงดังนี้แหลในมาตุคามเป็นติกกะปจิตตีไม่ใช่หญิงทิศสูตรสำคัญว่าเป็นหญิงหรือว่าสงสัยอยู่หรือแสดงธรรมแก่หญิงยักษ์หญิงเปรตและบรนดกและเดรัชานตัวเมียที่มีกายดังมนุษย์เหล่านี้เป็นทุกกฎทิศสูตแสดงธรรมเพียงหกคาหรือว่ายอนว่าหกคำ หรือบุรุษมีลักษณะดังกล่าวแล้วอยู่ด้วยหรือพิกจุลุกขึ้นเองแล้วกลับนั่งลงแสดงไปอีกหรือหญิงลุกขึ้นนั่งลงอีกพิกจุแสดงต่อไปหรือแสดงแก่หญิงคนอื่นต่อไปหรือพิกจุถามปัญหาหรือหญิงถามปัญหาก็ตามพิกจุแก้ปัญหาก็ดีหรือพิกจุแสดงธรรมเพื่อคนอื่นอยู่หญิงมานั่งฟังอยู่ด้วยและพิกจุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตเลยนะอ่า การแสดงกับคนอื่นหญิงมาฟังก็ไม่เป่นไรสิกาบอกนนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้แสดงธรรมกับมาุคามก็คนใช้ไม่เป็นคนแสดงเป็นมีองค์ห้าคือแสดงธรรมมีลักษณะดังกล่าวแล้วยิ่งกว่าหกธรรมข้อที่หนึ่งนะองค์ที่สองก็คือมาตุคามมีลักษณะดังกล่าวแล้วก็คือเป็นผู้ที่รู้ความได้ไปหญิงมนุษย์องค์ที่สามก็คือไม่เปลี่ยนอิริยาบทองค์ที่สี่ไม่มีชายผู้รู้ความอยู่ด้วย องค์ที่ห้าใช่การวิสัชนาปัญหาร้อมด้วยองหานี้จึงเป็นปาจิ ต, ตีนั้นผู้หญิงถ้ามีมีผู้ชายอยู่ด้วยแล้วก็ป้องกันศิกษาบทข้อนี้ก็คือถามปัญหามาทุกครั้งก็ถามปัญหาแต่ว่าเป็นบาลีนะเป็นบาทแต่ถามเพราะนั้นถ้าถามภาษาไทยหรือว่าพิสูจน์แสดงทมเป็นภาษาไทยนี่ก็ไม่เข้าองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดําเกียรติก็ไม่ควรที่จะแสดง สมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปะละโสธรรมะสิกขาบทแรงแต่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะต้องเพราะทำแล้วก็ไม่ทำด้วยเกิดแต่การทําคือแสดงเกินหกคาเกิดแต่การไม่ทําคือไม่เป็นเยริยบทด้วยปะละโสธรรมก็คือเป็นกิริยาโนสัญญมิโมกแต่ว่านคอนี้แสดงทำมาเทศนากับผู้หญิง น, นี่เป็นทั้งกิริยาแล้วก็กิริยา โรสัญญาวิโมกอาจิตตะกะปันนติวัชชะเป็นวชีกรรมมีจิตสามเวทนาสามสมุทฐานสองก็คือวาจากับวาจาจิตเป็นอจิตตะกนะต่อไปข้อที่แปดในภูตะโรจนะสิกขาบทที่แปดบอกอุตริมนุษยธรรมแกอนุสมบัติที่มีจริงเลยนะเตกสุ่ไดบอกอุตริมนุษยธรรมมีฌานเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในตนจริงแกอนุสมบัต์ ไม่ใช่พิจตุไม่ใช่พิกษุณีแล่วนอกจากนั้นก็เป็นอนุสัมบันฑิตารประค่านี้พิกตุณีก็เป็นอุปสัมบันฑของพิกตุเป็นปัจจิตีเพราะอุตริอนุสธรรมที่มีจริงสมุทฐานข้อนี้ก็เป็นภูตาโรชนะสมุทฐานมีสมูตรฐานสามก็คือกายอย่างหนึ่งวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาไม่มีจิตปนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอาจิตกะแหละเป็นจิตรยาเพราะมีการบอกโนสัญญาวิโมก แล้วก็ปัญนาติวชะกายกรรมวชีกรรมนะมีจิตตองก็คือกุศลจิตกับอพยตตจิตพระอรหันต์ก็ต้องอบัตคอนที่ได้เพราะว่าเป็นอุตริกทธรรมที่มีจริงเวทนาสองก็คือสุขกับอุเบขาต่อไปที่เก้าสิกขาบทที่เก้าทุตถุลาโรโจนะสิกขาบทความว่า ทิคสุดบอกอบาบัตชั่วยาแผนพิจุแก่อนุปสมบัติทั้งวัตถุดังนี้ว่าทิคสุนี้กแกล้งให้อสุจิเคลื่อนต้องสังกาทิเสสาบัตดังนี้เป็นต้นต้องปาจิตติเว้นไว้แต่พิตุที่ได้รับสมมุติคือสองกำหนดที่สุดอาบัตอย่างเดียวหรือที่สุดตระกูลอย่างเดียวหรือกำหนดที่สุดอาบัตและตระกูล ด, ด้วยหรือไม่กำหนดทั้งสองอย่างแล้วอปโลกันสามหนทำกติกานับหมายให้บอก เพื่อจะให้พิจุที่ต้องอาบัตหนืองๆสารวมระวังต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับการสมมุติจากสองแล้วไปบอกอาบัตชั่วยาคือบาสังคารที่เศษของพิจูการ น, นสุสบำณนี้ต้องอาบัตปฏิตตี๋ยนอกจากได้รับการสมมุติมีอยู่แล้วนะแล้วก็บอกตามสมมุตินั้นก็ไม่เป็นอาบัตในบาลีว่าปาราชิกสี่สังคารที่เศษที่สามชื่อว่าอาบาตัตชั่วยาก็แต่ในอัตถกถาว่าในบาลีนี้กลางปาราชิก เพื่อจะแสดงทุตถุลลาบัตก็แต่ในสิกขาบทนี้ประสงค์เอาสังขาริเศชื่อว่าทุตถุลาบัตในอบัตชั่วยาเป็นติจัปปจิตตีไม่ใช่อบัตชั่วยาทิ่สุดสาคัญว่าอบัตชั่วยาหรือว่าสงสัยอยู่และบอกหรือบอกอาบัตขันทั้งห้าก็คือกองอบัตทั้งห้าอ ბ ัตเบาเนี่ยมีถุรจัยเป็นต้นซึ่งเป็นอัทุตถุลาบัตอบัตไม่ชั่วยา หรือบอกอัจาจารย์ชั่วยาบคือการล่วงศิกษาบททั้งห้าเบื้องต้นและอัจาจารย์ไม่ชั่วยาบคือการล่วงศิกษาบททั้งห้าเบื้องปลายแห่งอนุสัมบัญก็ดีก็คือผิดศีลห้าเบื้องต้นเบื้องปลายศีลสิบ ข, ของอนุสัมบัญส์ธมเนีเหล่านี้เป็นทุกกฎบอกแต่วัตถุอย่างเดียวว่าเธอนี้ทาําอสุเจิเคลื่อนเธอนี้ก็คลึงมาตุคามเป็นต้น หรือบอกแต่อบัตอย่างเดียวว่าเธอนี้ต้องอบัตสงการิเศตต้องถูดใจเป็นต้นดังนี้ก็ดีนี้ยังไม่เป็นอบัตต้องเชื่อมกันว่าที่สูโรปนี้ทําอสุจิเคลื่อนเธอต้องอบัตสงายเศษนี้ถึงจะเป็นอบัตหรือพิจุสมมุติสองกําหนดให้บอกไว้เพียงใดและไม่เกินกําหนดบอกไปตามกําหนดก็ดีนะที่ตูบ้างเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัตแต่กฎข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้บอกก็ไม่เป็นเหมือนกัน มีองค์สามก็คือสังขาธิเศษแห่งพิจุทั้งวัตถุด้วยบอกทั้งอบัติทั้งวัตถุองค์ที่สองก็คือบ่อแก่อุปสมบันิองค์ที่สามก็คือไม่ได้รับพิกษุสมมุติไม่มีพิกษุสมมุติพร้อมด้วยองค์สามนี้ก็เป็นปาจิตติสมุทฐานวิธีก็เหมือนกับอธินนาทานสิกขาบทแปลกแต่ว่าสิกขาบทนี้เป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวมีองค์สามสูตรฐานสามก็ได้แก่กายจิตอย่างหนึ่งวาจาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นกิริยาเพราะว่ามีการไปบอกบอกด้วยหัวไม่มือด้วยอะไรแปลแตกก็เป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นสจิติกะเป็นสัญญาวิโมกเป็นโลกวัชชะอุสุรจิตเป็นเวทนาอย่างเดียวเป็นทั้งกายกรรมวิชีกรรมเป็นทุกขเวทนาต่อไปสิกขาบทที่สิบปะทวีคานนนะสิทขาบทความว่าที่ตุดใดขุดแผ่นดินเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นขุดเป็นปาจิตี ผันดีนมีสองอย่างก็คือชาติปฐวีและอาชาต์ปฐวีชาติปฐวีมี3ามอย่างก็คือดินล้วนอย่างหนึ่งดินเจือของอื่นอย่างหนึ่งแล้วก็กองดินอย่างหนึ่งดินร่วนล้วนดินเหนียวล้วนโดยปกติชื่อว่าแผ่นดินล้วนนะในแผ่นดินใดมีดินร่วนหรือว่ามีดินเหนียวมากสองส่วนหินกรวดกระเบื้องและทรายเหล่านี้จิ่งในสิ่งหนึ่ง น้อยเพียงส่วนที่สามแผ่นดินนี้ชื่อว่าดินเจือของอื่นถ้ามีดินมากอันนี้ก็เป็นชาติปฐวีแล้วความที่สามคือกองดินร่วนหรือว่าดินเหนียวที่เขาขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอันฝนตกทับแล้วเกินสี่เดือนไปชื่อว่าแผ่นดินเป็นกองกองดินกองดินหมายถึงว่าเขาขุดขึ้นมาแต่ว่าฝนตกเกินสี่เดือนไปแล้วถ้ายังไม่ถึงสี่เดือนนี้ก็เรียกว่าอชาติปฐวีปฐวีไม่แท้สามารถที่จะขุดได้ โดยลักษณะดังกล่าวนี้แม้กองดินเจือของอื่นและฝุ่นผงอันละเอียดที่ตั้งอยู่บนหลังหินฝนตกถูกชุ่มอยู่คราวหนึ่งล่วงสี่เดือนไปโอกาสที่น้ําฝนชุ่มนั้นนับว่าแผ่นดินเป็นกองจับจัดว่าเป็นแผ่นดินแท้เหมือนกันแผ่นดินทั้งสามอย่างนั้นอันไฟยังไม่ไหม้ด้วยเป็นเตาไฟและที่ระบมบาดเป็นต้นชื่อว่าชาติปัทวีคือปัทวีแท้นะ แผ่นดินแท้ก็แลแผ่นดินที่ไฟไหม้แล้วหรือว่าดินเจือด้วยหินเป็นต้นมากยิ่งกว่าส่วนที่สามแห่งดินร่วนหรือว่าดินเหนียวนั้นหรือกองดินที่ฝนตกทับย่อนกว่าสี่เดือนชื่อว่าอชาตะปัทพีอชาตะปัทพีคือแผ่นดินไม่แท้สามารถขุดได้แผ่นดินที่มีหินและกรวดและกระเบื้องทรายล้วนไม่ต้องว่าก็ขุดได้แน่นอนถ้ามีแต่หินกรวด ดินที่เรียกว่าชาติปฐวีนั้นเป็นอกักบิยะปฐวีคือขุดไม่ได้พิกตูไดขุดเองคือทำอกักบิยะปฐวีนั้นให้กำเริบด้วยการขุดและต่อยและขีดและเผาเป็นต้นเป็นปราจิตตีแก่เธอนั้นนับ ด, ด้วยประโยคเลยไปทำลายขุดหลายครั้งก็ต้องบัดปราจิตตีหลายตัวพิกตูไดให้ผู้อื่นขุดคือให้ทาให้กาเริบโดยในเช่นว่ามาแล้ว คือบังคับกาหนดที่ให้ขุดว่าท่านจงขุดจงต่อยประเทศนี้แผ่นดินนี้ดังนี้เป็นต้นเป็นทุกกฎด้วยการบังคับบังคับคราวเดียวผู้รับบังคับแม้ขุดไปสิ้นวันหนึ่งเป็นปายจิตตีแก่ผู้บังคับตัวเดียวเท่านั้นขณะที่บังคับบัตรทุกกฎแต่ว่าพอับาไ้ขุดละปายจิตตีถ้าผู้บังคับบังคับบ่อยๆไซเป็นปายจิตีทุกๆคาบังคับเลย บอกให้ขุดอีกขุดอีกอก็อ่อบปฏิัติทุกครั้งที่พูดเป็นแผ่นดินแต่พิจุสงสัยอยู่ก็ดีไม่ใช่แผ่นดินสำคัญว่าเป็นแผ่นดินหรือว่าสงสัยอยู่ก็ดีทำให้กำเริบเป็นทุกกฎพิจุไม่นิยมโอกาสว่าที่นี้นคือไปสั่งเขาให้ขุดดินแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ขุดตรงไหนและบังคับว่าท่านจงขุดสาบโบขรรณีจงขุดหลุมขุดมันเป็นต้นดังนี้ก็ดี ดินโคลนหรือดินกรีบโคที่แห้งที่แตกกระเทาะขึ้นข้างล่างไม่ติดกับแผ่นดินและตะลิ่งแม่น้ำพังตกลงในน้ำแม้เป็นของใหญ่กาดีและก้อนดินเหนียวขาดด้วยไถเป็นต้นทั้งปวงนี้ชื่อว่าอาชาตะปัทวีแผ่นดินไม่แทนสามารถขุดได้เพราะนั้นโคลนเลนทั้งหลายนี้ก็ลอกได้เหมือนกันทาอาชาตปัทวีทั้งพวนั้นให้กบเริบก็ดีและกล่าวว่า ท่านจงรู้หลุมเสานี้ท่านจงให้ดินนี้ท่านจงเอาดินมาเราต้องการด้วยดินจงําดินให้เป็นกับปิยะดังนี้ก็ดีและไม่แกล้งทำให้แผ่นดินแตกด้วยการกลิ้งต้นไม้เป็นต้นและเอาสีสัะก็คือเอาหัวแม่เท้าเนี่ยขีดดินโดยไม่มีสติเผลอไปเนี่ยนะและไม่รู้ว่าเป็นชาติปฐวีหรือไม่รู้ว่าตัวขุดดินขีดดินอยู่ก็ดี และพิสูบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอบัตเป็นอนานติกะนะคือสั่งให้เขาขุดถ้าสั่งด้วยอักขปิยะวุหานขปิยะวาจานี่ไว้ขุดตรงเนี้ยเนี่ยเป็นอนานติกะแต่ถ้าสั่งโดยที่บอกโดยที่ไม่เจาะจงอันนี้ไม่เป็นมียงค์สามข บ, บรถข้อนี้น่าจะเป็นสารนติกะสั่งให้ทหําเนี่ยเป็น มีองศางก็คือดินเป็นชาติปฐวีหมายถึงเป็นแผ่นดินแท้ใยสองรู้อยู่ว่าเป็นแผ่นดินด้วยใยสามขุดเองหรือว่าให้ผู้อื่นขุดเพราะฉะนั้นต้องเป็นสานากติกัดคนนี้ต้องเป็นสานาธิกะให้ผู้อื่นขุดก็เป็นอันใดอันหนึ่งพร้อมด้วยองศางนี้จึงเป็นปาจิตติสมุทฐางวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินาทานสิกขาบทแปลกแต่สิกขาบทนี้เป็นปัณติวชามีจิตสามเวทนาสามอธินาทานสิกขาบทก็ เป็นโลกวัชชะแต่กับแบบนี้ข้อนี้เป็นปัณติวัชชะมีองค์สามกันคือกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตแล้วก็เป็นสัจจิกะถ้าทินทานเป็นโลกวัชชะข้อนี้เป็นปัณติวัชบบชะกายกรรมจิตกรรมจิตสามเวทนาสามเหมือนกันถ้าสมังจบปัทโมวโคก็จบวัดแรกวัต่อไปก็เอาไว้วันพรุ่ง น, นี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการไว้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาปิติประโมท แล้วก็ได้อบรมตามกวามถ่อนถ่อมมาถ่อมเจ้าในไตรสิกขาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมระทำตนให้พน้นจากวัฏฏุกโดยทั่วคันด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ